เรารวมเรารวมกันพอเริ่มมืดเราก็เข้ามานั่งภาวนาไปจนสองทุ่มเราก็ทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เสร็จมีอะไรเราก็คุยกันกลับก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งวันนี้พวกเราก็จะเอาแค่นี้แหละ ทุ่มเราทำวัดสวดมนต์วิญพาสวดมหาศติด้วยเอาบททำวัดสวดมนต์ทำเตาให้ด้วยคือเราสวดไม่ยาวเราสวดแค่นั่นแหละแล้วสวดต่อมหาศติเมื่อวานเราก็ไปชุมแล้วนะปกติเราวันลงวันเว้นสองวันวันเว้นสองวันแต่วันนี้ช่วยโอกาสพอพวกเรามาพวกเราก็ เอาต่อกันแต่ในครัวเขามาสวดทุกวันพระเนรานัดกันมาวันเว้น2วันวันเว้น2วันถ้าเราอยู่ก็วันเว้น2วันลงมาทุกวันก็ไม่ไม่ไหวเพราะบางทีก็ไม่ติดไม่บางทีก็ไม่ว่างในภาษาก็วันเว้นวันวันเว้นวันแต่ โดยลำพังแล้วก็ใครมีโอกาสก็ตั้งใจทำเอาใครมีความอุตสาห์พยายามมีความขยันก็ตั้งใจขยันเอาใครมีอัธยาศัยขี้เกียจขี้คร้านก็ตั้งใจขี้เกียจขี้คร้านเอาใช่ไหม มันมองไม่ไม่เห็นประโยชน์มองไปเห็นประโยชน์ก็ปล่อยให้ประโยชน์หลุดมา้าหลุดมือไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนเราที่จะไม่ประมาททุกอิริยาบถนั้นต้องคนที่ตั้งใจจริงจังเอ็นโทษเอ็นภัยจริงๆ ยังครึ่งๆ ก, กลางๆก็คือมันยังมีความประมาทปนเปรกันอยู่นั่นแหละสิบขณะจิตระลึกได้ยี่สิบขณะจิตสามสิบขณะจิตประมาททอดทิง้งชั่วโมงหนึ่งคิดได้ยี่สิบสามชั่วโมงทอดทิง้ง คาดหวังเนี่ยมันมันไกลไกลมันไกลมากไกลเกินที่เราจะไปถึงดูจนท้อใจพอเราไม่ค่อยได้ตั้งใจเดินระยะทางดูมันไกลแสนไกลมันจะได้ขยับไปสักทีก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เดิน ดีกว่าคนทีร่รีรีขวางขวางทั้งขวางทั้งรีรีของขวางอย่นั้นไปทางนี้ไปทางนี้แทนที่จะดูตามมือเขาแล้วก็ตั้งใจคลานไปก็ยังดีอ่ายืนยืนอยู่นั่นแหละดีรีของขวางหันหน้าหันหลังหันไปหันมากลายเป็นหันหลังให้ ลืมสังเกตก้าวไปเรื่อยๆเอ ย, เอยโอ้ยิ่งห่างออกไปห่างออกไปโอกาสสำคัญที่สุดโอกาสที่เราได้พบได้เจอได้ประสบพบเห็นพระพุทธศาสนาได้ประสบพบเห็นคำสอนถ้ามองอย่างคนที่เห็นโทษเห็นภัยแล้วเนี่ย เป็นโชคมหาโชคลาบมหาลาบในชีวิตจิตใจของเราโอกาสที่จะจะพบจะเห็นนะมีน้อยนี่อัตภาพนี้เรามีโชคดีเราอย่าไปคิดว่าเราจะมีโชคดีทุกทุกพบทุกชาติบางพบบางชาติไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเราคิดถึง เกิดแก่เจ็บตายคิดถึงความทุกข์เป็นไปในวัฏฏสงสารเป็นเหตุนหน้าเบื่อหน้าไหนเรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆก็จะทําให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจก็จะระลึกตัวได้อยู่บ้างไม่ปล่อยโอกาสให้เป็นไปตามความอยากโดยไม่เกิดประโยชน์บางอย่างไม่เกิดประโยชน์เลยมึงอยางเกิดโทษซะอีก หลงเพลินหลงทำหลงประมาทมัวเมาคำว่าประมาทมัวเมาเนี่มันกินครอบไปหมดเลยแหะความเมาข้างในมันมันไม่เหมือนเมาข้างนอกเมาข้างนมีโอกาสสร้างซาเมาข้างในถ้าไม่ก้ามาตรงนี้ไม่เจอไม่พบไม่เจอเมาอยู่เรื่อย เกบลืมตายเพราะมันเมามัวเมาสิ่งที่มอมเมาเราให้เรามัวเมามีอยู่นั้นเราไม่เคยย้อนไปดูมันแหละเมื่อเราไม่ย้อนไปดูมันมันกับเราเนี่ยกลายเป็นก้อนเดียวกันกลายเป็นอันเดียวกัน ถ้าเรามองเร า, เราก็พอจะรู้รู้จักช่องทางที่เราจะพอออกได้การที่เราจะตั้งใจอบรมไปดีขึ้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าการอบรมใจถ้าอบรมใจดี กายก็ดีวาจาก็ดีกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีถ้าเราอบรมใจดีมโนกรรมก็ดีการอบรมใจไม่มีอะไรเกินสมถะและวิปัสสนาซึ่งเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้ประสบพบเห็นและมี โอกาสเริ่มใส่ศรัทธาสามารถปลีกนตัวได้ให้โอกาสกับตัวเองได้วิธีอื่นยังเป็นวิธีที่ยังห่างยกวิธีนี้เป็นวิธีที่ติดขยับเข้ามาติดที่กายติดที่วาจาของเราเรามาคิดดูกรรมของเรากายกรรมวัจีกรรมมนกรรม มีแค่สามกรมวันคืนร่วงไปโอกาสน้อยนักที่เราจะมารำพึงถึงกรมรมกายกรรมกิริยาทางกายฆ่าสักหลักทรัพย์ปรพฤผิดในการรมวิจิกรมพูดเทรพูดอยาพูดโสเสียดพูดด่าพูดทอขูดอิจาเสียาพยาบาทสารพัดมโนกรรมนึกคิดก่อนที่จะแสดงที่ ที่กายกรรมคนรจะแสดงที่วจีกรรมมันมีมโนกรรมประกอบทุกทุกระยะเมื่อเรามาสํารวมที่ใจมันก็พอได้สํารวมกายไปด้วยสํารวมวาจาไปด้วยกรรมของเราก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มบริสุทธิ์ขึ้น บริสุทจนเห็นความดีด้วยกายกรรมของตัวเองไว้จีกรรมของตัวเองเห็นความบริสุทธิ์ในกรรมของตัวเองเพื่อปีติกับกรรมของเราเองเมื่อเราเข้าใจกรรมของเราเองเราเข้าใจกรรมของคนอื่นเราไม่เอากรรมของเราไปปนกับกรรมของคนอื่นมันกลายเป็นเรื่องแยกมาโดยเอกเทศโดยอัตโนมัตินี่สาคัญที่สุด การมีโอกาสฝึกฝนอบรมใจจึงปเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเป็นโอกาสที่เราควรตั้งออกตั้งใจให้มากที่สุดยิ่งพวาเราทำงานทำการด้วยแล้วเรามีเวลาไม่เหลือเฟือเรามีเวลาไม่เหลือเฟือสําหรับบางคนที่มีเวลาเหลือเฟือไม่คิดถึงเลยเอาเวลาเหล่านั้นไปทลุ่น ไปที่หมดนี่น่าเสียดายอันนี้น่าเสีดยนนาสดายมากพวกเราทำงานทาการภาวิตาปารีกตาบะหุ ก, กิ จ, จามะยังบะหกการณญญามีงานมากมีภาระมากมีกิจมากเราก็ยังพอคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเห็นเป็นโทษเป็นภัยจริงๆในวัตฏสงสารเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะทํางานทําการเราก็ยังพอปลีดแวะประกอบความเพียรไปในขณะที่เราประกอบการงานก็ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนหลักมาหาสติปัฏฐานนั่นนะ่ะท่านสอนมาสำหรับครวญผู้มีภารามากมีกิจมากที่เราจะตั้งอกตั้งใจทําเรื่องมาหาสตินั้นเราจะต้องศึกษาเกิดความเข้าใจ นี่หนังสือที่เราพาสวดเปนมันมีทั้งคาบาลีมีทั้งคาแปลเราก็ผาสวดคาบาลีเราไปดูให้ไปดูคำแปลเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจหลักในการเจริญถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่คล่องใจว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาจะทำให้เราได้รับความ รู้รับได้รับความเข้าใจหลักการเจริญมาสติปัญญาเนี้เรานั่งภาวนาไปจนกว่าจะสองเทิมชิน้พาทำผักสนมจะเอาสมถะ าสัม ก, ก็คืออยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ยักย้ยายผันแปรไปตามอารมณ์อื่นหจิตมาสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวภาวนาอยู่นั้นมัดตัวเององน่นันะมันจะชวนนึกชวนคิดชวนปรุงมันเจ็บมันปวดมันอะไ ร, ไรดูมันอยู่นั้นแหละไม่ยอบปล่อยปล่อยโอกาสให้มัน ไม่ยอมทําใจเบากับมันอยู่เนี่แนถะ่ายหนักถ่ายเบาใส่เข้าไปเลยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นี้อยไปทําเป็นใจน้อยต้องทําให้เท่ามันถ้าไม่เท่ามัน่ะสุ่มันไม่ได้ละไม่เท่ามันไม่เก่งเท่ามันไม่รู้ทำมันชุ่มมันไม่ได้ เพื่อให้ความนึกคิดอย่างอื่นมันหยุดหมดเหลือแต่อารมณ์เขาวาพุทธธอุทโธ ท, ทียิบเลยนะ ระดับจิตใจทำงานถึงใจคุณโธคุทโธคุณโธถ้าเก็บท่าปวดก็ดูไปที่เก็บที่ปวดให้มีสติกะหนลจดจอรู้ตื่นโรูอยู่ตลอดมันนึกมันคิดมันรุงยังไงมันก็เหมือนมนเหมือนกับเป็นกระแสมาปลุกสติสามัญญาของเราเนี่ยดูแลกำกกับปกป้องอยู่โมหะมันครอบงนไม่ได้ สัญหามันครอบงำไม่ได้ทำให้จิตของเราตื่นโรู้ให้มันมีความรู้เต็มร้อ มจะพอเรื่องคำพุทโธดูทุกก็ได้ดูเวทนาพุทโธเมื่อก่อนนั้นพุทโธํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพอมันเจ็บปวดมากๆพุทโธพุทโธจ่อไปตรงที่มันปวดพุทโธพุทโธพุทโธลองทำดูทําด้วยความสังเกตสังกาสังเกตจิตใจของเระ เราดูเองข้อแตกต่างข้อปลิ่ข้อปลิ่ยนแม่ข้อพลิกเพริเปลี่ยนแปลงคอยรูว้วาเปลือยเปลือยพับถามแทรกเปลผอยพับถามแทรกเราจะได้เห็นหน้าตาออกมามันเป็นกิริยาที่มันดื้อด่าแสดงออกมามันไม่ใช่มีตัวมีตนอยู่ในจิตของเรา แต่อาจมันเป็นความดื้อด้านของจิตเราเองที่มันมีนิสัยสันดาลที่ยัดเรายังไม่เคยฝึกยังไม่เคยฝึกฝนอบรมจะไปคิดว่ามีอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ใช่มันเป็นความกระพือของจิตของเราเองชักไปชักไปชักไป ด, ยยด้วยเหตุที่ปริญญาเขาเอาวิธีการที่ดีๆมาชักวิธีการที่ไม่ดีมันเป็นการมันดักกันไปตรงเลยแหละดักกันจังๆเลยแหละ พราะฉะนมถึงไม่ง่ายจะว่าดักยากก็ยากจะว่าดักง่ายก็ง่ายข้อสําคัญว่าเราไม่ทิ้งหลักไม่ทิ้งข้อปฏิบัติตั้งใจทำไป ใ, ใจได้รับความสงบเราทราบไม่ได้ว่าอัธยาศัยเราเรามีบุญมีบา ร, รมีลึกตื้นเราก็ทราบไม่ได้แต่เราขีบบารามีโอกกัน กิอนินลงไปพับเห็นแปลกปราหลาดสยใจยโกรกขึ้นมาทันทีมันคนทำมาเป็นเดือนเป็นปีต่อสู้ต่อสู้กันไปอยู่เท่านั้นแหละแค่นั้นแหละแต่แค่นั้นก็ถอยไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะเรื่องเรื่องยากเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของของท่านเรื่องของเราง่ายก็เรื่องของของท่านยากก็เรื่องของท่าน ง่ายเรื่องของเรายากก็เรื่องของเราเรื่องของใครของเราเรายากมากเกินเรายากมากเกินเขาทําไมง่ายลากเกินง่ายลากเกินเกาะเขาง่ายมันไม่ใช่เราเขาบุญชรางบุญสร้างปริมามากกว่าเราอบรมมามากกว่าเราเราง่ายมากเกินสะดวกสบายมากเกินท่านทำไมยากลากเกินเนี่ยอย่าพึงไปยิ้มยิ้มย่อ ทำไปให้เป็นมหาเศรษฐีมีเป็นเกาะเป็นกัปไม่ต้องไปกลัวมันเป็นมหาเศรษฐีบางคนยังไม่มีสมาธิติดเนื้อติดตัวเลยกลัวจะติดสมาธิยังไม่รู้จักคุณค่าของสมาธิโดยซ้าไปมีมากท่านอกตั้งใจทําให้เกิดเพราะมันเกิดไปแล้วท่านจะแยกออกในยากสมาธิกับปัญญา มันอยู่ด้วยกันอะไรเราพูดเราก็แยกออกออกมาพูดเฉยๆกันคุณสมบัติมันรวมอยู่ในที่เดียวกันเราต้องการเก็บมันก็อยู่เราต้องการเอามาใช้มันกเ็เอามาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว <c oughs> องของสมาธิองของฌานมันเป็นคุณสมบัติของใจงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ใจของเรามันไม่มีพื้นฐาน รมีสิ่ลนี้เป็นพื้นฐานมันเป็นกำลังมันเป็นลังกิเยสตันหามันแทรกเมยากอ้าวจากนี้ไปตั้งใจ